คุณบอยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ไปรับงานจากลูกค้ารายหนึ่งในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งครับที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหาคนครนี่ก็แล้วกันครับทางทีมงานของเราก็เลยตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าสยองควบผวาครับเหมือนเป็นโรงหนังที่ฉายหนังควบยังไงก็ไม่รู้ทั้งสยองและผวาเหตุการณ์ของคุณบอยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอการติดต่อสักครู่หนึ่ง แล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับเหมือนเดิมถ้าอยากจะฟังให้ได้อัธรสในการติดตามรับฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญแนะนําให้มีจินตนาการมีสมาธิในการฟังนะครับเป็นไปได้นี่บิ้วตัวเองสักนิดหนึ่งปิดไฟหรือว่าเปิดไฟสลัวสลวที่ไหนฝนตกนี่ต้องบอกว่าได้บรรยากาศในการรับฟังเดอะโกสเลดี้โอของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับ นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณบอยได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของคุณบอยหลายท่านคงจะจำคุณบอยกันได้นะครับที่เคยโทรศัพท์มาเล่าเมื่อซากเมื่อวานนี้ปะหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเล่ากับเราเล่ากับเราไปทั้งหมดสองเรื่องด้วยกันนะครับเล่นเอาขนหัวลุกขนหัวตั้งทั้งสองเรื่องเลยแล้วคุณบอยก็บอกว่าเขายังมีประสบการณ์อีกหลาย หลายที่ครับที่เขาไปทํางานมาที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เขาอยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังครับเป็นโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งที่อยู่ย่านผมเรียกว่าเป็นย่านใจกลางกรุงเทพมหานครก็แล้วกันนะครับโรงภาพยนตร์แห่งนี้เป็นโรงภาพยนตร์ที่ฉายหนังควบแต่เราคงจะไม่ระบุชื่อของโรงภาพยนตร์แห่งนี้นะครับว่าเป็นชื่อของโรงภาพยนตร์อะไร ดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องของคุณบอยกันเป็นเรื่องแรกในค่ําคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับผมอ๋อนะฮะเราได้เจอกันอีกแล้วนะฮะครับผมพอคุณผู้ฟังรู้ว่าคุณบอยมาเชื่อไหมครับตอนนี้เนี่ยในห้องที่อยู่เป็นห้องไลฟ์สดนะฮะของแฟนเพจ The Ghost Radio ตื่นเต้นกันใหญ่เลยโอ้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้คุณบอยกําลังมาแรง ในการเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ น, นะฮะขอบคุณมากครับสองเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเล่นเอาทั้งผมและคุณผู้ฟังท่านอื่นเนี่ยขนหัวลุกขนหัวตั้งไปไม่น้อยนะฮะอ๋อนะะีทั้งเรื่องของบ้านทั้งเรื่องของออฟฟิศที่หนึ่งะฮะครั้งนี้เนี่ย ค, คุณค บ, บอยจะมาเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสถานที่นั่นคือโรงภาพยนตร์ถูกไหมฮะ ใช่ครับโอ้เนี่ยครับเป็นโรบอทยน์ที่ฉายหนังควบนะปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าโรงภาพยนตร์นี้ยังเปิดทําการอยู่หรือเปล่าอยังเปิดอยู่ครับยังเปิดอยู่ใช่ไหมใช่ครับยังเปิดอยู่คือต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงโรงหนังที่นี่เนี่ยผมว่าทุกคนรู้จักเพราะว่าถ้าคนแ่านั้นอ่ะคือถ้าผมบอกว่าย่านครับเอตั้งอยู่ย่านไหนอือาะพระแถวนั้น่ะมันจะมีอยู่แค่ถูกต้องหนังถูกต้องสมัยก่อนมันจะมีอยู่สองสามที่ ใช่นะฮะแล้วก็ปิดไปตามการแล้วเวลาแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือเหลือที่เนี้ยที่ที่ยังเปิดทําการอยู่่เออเราจะไม่ระบุนะว่าเป็นที่ไหนนะครับผมนะครับมาว่ากันครับเรื่องนี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องของสยองขวบผวาเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณบอยได้ครับเผมเริ่มเลยนะครับได้ครับหลังจากทางานได้ัประมาณปีสองปีเนี่ยฮะประมาณกลางกลางปีที่สองเนี่ย เราก็ได้รับคอนแทคจากโรงภาพยนตร์ที่นี้นะครับประเมินว่าคือเหมือนกับรู้จักแบบต่อๆกันมาะเขาก็มาละมาแบบมาติดต่อกับเราโดยทางคนรู้จักอีกทีหนึ่งเพื่อให้มาดูแลที่โรงพรยาบาลแห่งนี้เหมือนกันครับซึ่งผมว่าถ้าจะเข้ามาเนี่ยให้เข้ามาประมาณห้าทุ่มห้าทุมโอเคเรามันก็ไม่ดึกมากครับไม่ดึกมากแต่ก็แต่ก็มันก็มีอะไรที่ไม่น่าไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างซึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานอุปสระศของเราสองย่างก็กคือหนึ่งเนี่ยความมืดครสองคือเราไม่รู้เราไม่รู้เส้นทางที่ที่เราจะไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราต้องทํามั่วเอาเดาเอาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่เรื่องก่อนเนี่ยคือเราเข้าไปครังแรกเราก็ไม่รู้ว่าสวิตไฟอยู่ตรงไหนอืมอืมอเราเราก็ต้องคทำเอามันก็เหมือนกันนะครับขเข้าไปครั้งนี้มันก็เหมือนกันอซึ่งเข้าไปอ่ะแต่คือ หลังจากที่ทำงานไปหลายๆที่มันก็รู้สึกว่าเฉยๆกับกับกับเรื่องของความมืดความอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าไปทีนี้ผมมนัดกับเพื่อนไว้ประมาณสีุ่้มครึ่งให้มาเจอกันเพื่อนบอกโอเคผมเจอสีตุ้มครึ่งมาเจอกันนะที่นี่คือมันเป็นโรงภาพยนตร์ที่กว้างและใหญ่มากฉะนั้นการทำคนเดียวอ่ะมันมันมันมันคงใช้เวลานานหน่อยฉะนั้น ผมก็เลยนัดกับเพื่อนให้มาเจอเงินตอนสี่ทุ่ครึ่งแล้วเหมาะเดี่ยวทําด้วยกันแบ่งกันทํำจากข้างบนลงตรงกลางและจากข้างล่างขึ้นตรงกลางกันจบเลยโรงหนังนี้มันจะมีสองชั้นถูกไหมชั้นล่างเนี่ยมันก็จะกว้างหน่อยชั้นบนเหมือนจะเป็นชั้นลอยใช่ใช่ไหมฮะเหมือนจะเป็นชั้นแบบนั้นตัวแพงหน่อยคือเอ่อผมก็ว่ามันอาประมาณนั้นแหะครับพี่แจ๊ประมาณนั้นแหละชั้นลอยอืมคิดว่าประมาณนั้นแหละชั้นลอยใช่ใช่ครับครับทีนี้ผมผมก็เข้าไปก็ ก็คุยกับพี่ยามพี่ยามเขาก็เฝ้าข้างหน้าเหมือนเดิมบกว่า อ, อ๋อน้องถ้าจะทำก็ เ, เข้าไปได้เลยนะฮะออะไรอย่างเงี้ยคือข้างในไม่มีอะไรหรอกข้างในมันเปิดไฟไว้สว่างทั้งหมดเลยโอเคมันความมืดมันไม่ใช่ปัญหาเรานะละพอเราเข้าไปเาครอเปิดไฟนู่นนี้นั่นอ่ะผมก็เดินเข้าไปอืลักษณะการเดินเข้าไปเนี่ยคือพอเปิดประตูเข้าไปมันแยกซ้ายขวาครับนะครับและตรงกลางอืมผมก็เลือกไปทางซ้ายแล้วก็เดินสิ้นไป ปรากฏว่าพอเดินขึ้นไปเนี่ยพี่ครับมันคือสว่างจริงออืแต่มันกว้างอืและและเงียบครับพอมันกว้างและเงียบเนี่ยมันทําให้อะไรหลายๆอย่างเราคิดไปตำนานาวิ่บอือวิวทำไมมันเงียบจังครับมันสงัดน่ะอืแต่มันยิ่งมันยิแสงจริงๆแต่มันสงัดโอเคไม่เป็นไรเพราะอย่างยังไงเราไม่ได้ทําที่นี่คนเดียวอยู่แล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมาออืผมก็เลยนั่งรอตรงนั่งรอตรงพนัก ใน่านะที่นั่งนะครับเหมือนที่คนมาดูหนังมันธรรมราก็นั่งรอข้างดูโทรศัพท์นั่งอะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมนะคะจนรู้สึกง่วงพอผมง่วงผมก็เลยหลับครับครับคือตอนนั้นคือหลับเพื่อรอเพื่อนจู่ไหมฮะใช่ครับหลับเพื่อรอเพื่อนอืมผมก็ได้หลับในพวังที่หลับเนี่ยผมไม่รู้สึกตัวนะว่าผมหลับไปรู้แค่ไหนอืมแต่ผมเห็นภาพว่า มีอนักศึกษาอืมนักศึกษาอาชีวะประมาณกลุ่มหนึงประมาณยี่สิบกว่าคนนะนั่งดูหนังกันอยู่แบบสนุกสนานเฮฮาโน่นนี่นั่นตอนนั้นคือในที่ภาพที่เราเห็นคือหนังก็ฉายไปแล้วก็มีคนคนนั่งดูอยู่เป็นกลุ่มเหมือนเด็กอาชีวะใช่ครับเป็นเด็กอาชีวะนั่งดูอยู่เป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าดูไปดูมาได้ยินเสียงดังมากเลยจะฟังอืมเอ่แล้วกลายเป็นภาพที่ตัดมาคือเป็นพวกเด็กช้างคนเนี่ยครับ เหมือนกัแบบกําลังกําลังสู้ลบกําลังฟันกันอยู่เลยออืบางคนใช้อูดเหมือนเป็นอีดาบยาวมากๆฟันไล่ฟันไล่แทงกันอีกคนก็ใช้ปืนแล้วก็ยิงปรากฏวก่ามีคนแบบพวกเด็กหลายคนที่อยู่ที่สู้กันนะอะคือเขาเขาล้มตายตร ง, ตรงหน้าต ร, ตรงหน้าผมเลยอะครับอ่าตรงหน้าผมเลยแล้วก็มีุบคนก็วิ่งหนีไปอีกคนนึงก็ไปตา ย, ยตรงนู้นอีกคนนึงก็พลาดอยู่บนบนบนบนขนาดทิงออือ่า แล้วด้วยความที่แบบว่าผมเห็นภาพแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นจริงหรือมันอะไรเนี้ยอยู่ดีๆคนที่มาตายต่อหน้าผมเข้ามือโผล่ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาจับที่ขาผมแล้วบอกอย่าไปไหนนะช่วยผมด้วยแล้วผมก็สะดุ้งตื่นที่พอสะดุ้งตื่นเนี่ยลงพาะบิดาทางหลงไฟดับหมดเลย พอลงภาพยนต์ท้องทั้ ง, งลงสายดับโงเดลผม<อ>ไม่รู้จะทํำยังไงผมก็เลยลูกมา<ะ>แล้วก็พยายามใช้ไฟฉายที่มีเนี่ยส่องทางเดินส่องไปเรื่อยๆเพื่อตามเพื่อจะออกไปจากโงรงภาพยนต์<อ>แล้วก็ไปหายามเพื่อให้เขามาเปิดไฟอืกแต่ปรากฏว่าคราวนี้ผมหาทางออกไม่เจอครับ<ะ>คือผมยังไม่ทราบเลยว่าตอนที่ผมเขึ้นมาถึงเนี้ยแล้วผมหาที่นอนอะอผมมานอนตรงจุดไหนของโงรงภาพยนต เพราะเมื่อมันมืดจริงๆอ่ะมันมืดถึงขนาดเรามองไม่เห็นอะไรเลยไฟทางเดินก็ไม่มีไฟที่อยู่มันก็จับหมดผมก็ต้องใช้ไฟฉายและคำเอกไปเรื่อยคำออาไปเรื่อยี่ความมืดสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงเก้าอี้มันสั่นเก้าอี้มันสั่งจากจากทางไหนสักที่หนึ่งซึ่งผมไม่รู้รแต่มันสั่นเบาๆดังกึกคืออย่างเงี้ยผมเอ๊ เสขนาอะไรตกใจออือแล้วก็ขอนลุกเพราะว่ามันมืดอะพี่พราะมันมนแล้วก็คิดไปต่างๆ น, นานาว่าอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบเราต้องมีสติครับผมฉายไฟฉายไ ป, ไปตรงที่มันเป็นเสียงอะเพรากฏต้องฝมเห็นไอ้ไอ้เก้าอี้มันมันสั่นหลังทิ้งมันสั่นอีกใช่มันสั่นเลยดืดๆืดๆผมมาพยายามเข้าคือจะเข้าไปดูดีไหมหรือจะพยายามหาทางออกดีออื พรากวว่าคือผมก็ยังยืนอยู่ตรงนี้แห ะ, ะผมไม่ได้เป็ไหนเพราะผมรู้สึกว่าการก้าวไปมันช่างยากเย็นเสกินเลยเกินคแต่ก็ไม่ได้อยากเข้าไปดูแต่ก็ไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้อืมนะครับพอดูทุกี้มันตึ่นตื่นหรือหรือพัหนึ่งที่ผมเหงขาคนมมันยืดออกมาตรงช่อ ง, งทาระหว่างตรงทุกี้อพี่ออออืืยืดออกมาเป็นสีขาวๆนะพี่เป็นขาสีเปือกมากเลยอืม แล้วกลิ่นนิดหนึ่งเน่ามากครับคือตอนแรกนะผมกินมาประมาณเหมือนหนูตายพี่แต่มันแรงมากกว่านั้นแล้วจะยืดขามาครับแล้วไดยิ่งเสียงว่าข้ามไปสิอือข้ามไปสิครับข้ามไปสิอ๋ออย่างเงี้ยพี่ข้ามไปสิข้ามไปสิอออะไรข้ามเหรอพี่คือมมาไรไปคืออะไรเออด้วยความที่ คือตอนนั้นชิคกี้ไรซไม่ออกก็เรื่องถอยหลังมันเรื่อยๆถอยหลังไม่ได้เรื่อยๆแล้วก็พยายามจะหนีออกจากตรงเนี้ยครับหาผมก็ยังเห็นอยู่อืมเสียงมันก็ยังก้องแต่มันเป็นสียงที่พเบาๆว่าข้ามไปสิข้ามไปในขณะที่ผมหันหลังคแล้วใช้สายสายไปที่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่สังเกตอ่าพี่นึกภาพตามผมนะครับเก้าอี้เนี่ยพอเราอยู่ตรงแถวอ่ะเราจะเห็นแค่หลังพิงข้างหลัง ออืสิ่งที่ผมเห็นคือเป็นมือเนี่ยผู้ชายอ่ะกำลังถนัดพิงเลยยื่นมาแค่หัวเล็กๆแล้วมองมาที่ผมแล้วบอกว่าค้ามไปสิข้ามไปสิที่ผมผมก็เลยกระโดดจากอเนี่ยถนักพิงผมแล้วก็รีบวิ่งพีรีลื่นลื่ไปล้มบั่งผม้าเมนตีลักาบ้างออืจนตกลงมปอ่ะตกลงไปท้งไก่ก่อนที่จะถึงทางออกของโรงพยาบาล สักพักหนึ่งเพื่อนเปิดประตูออกมาออแล้วไฟทุกอย่างก็เปิดปุ๊บปุ๊บปบหมดเลยครั บ, บ, บ, บ, บ, บเพื่อนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรวะเฮ้ยมันมันมีผีอยู่ข้ครับเพื่อนบอกมีมีผีเหรอเฮ้ยไม่ใช่นั่งเพิ่งมาครั้งแรกจะเจอกันเลยเหรอผมกับเพื่อนก็เจับมือกันขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งปราก็ฏว่าพี่มันไม่มีอะไรเลยคืออ่ามันก็สว่างของมันโล่งแล้วกลายเป็นว่ามี มีพวกพนักงานที่แบบว่าเขาไปกวาดขยะเขากวาดขยะอยู่ประมาณสองสามคนบออไหนพีไม่เห็นเลยเลยแล้วแล้วผมไปวิ่งมาจากไหนครับมาจากไหนอะไรเนี่มผมก็ยิงงงว่าอ้าวแล้วที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดแล้วเมื่อกี้ผมวิ่งมามันคืออะไรครับ มันก็กลายเป็นคําถามจนถึงจุดวันนี้ครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้นในตัวของคุณบอยก็ยืนยันว่าเฮ้ยทั้งหมดอันนี้ผมขออนุญาตถามแบบตรงๆคือคุณบอยไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันพี่ไม่ได้ฝันแน่ๆมีสติไมที่ฝันมีสติหลอดเส้นไฟฉายยังเปิดอยู่ในมือผมเลยครับเออเพราะว่าลักษณะที่ที่คุณบอยเล่ามาตอนแรกคือตอนแรกเหมือนเหมือนหลับหลับหล่อเพื่อน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับ อ, อพอตื่นมาอีกทีหนึ่งเห็นกับว่า<ช>เป็นกลุ่มวัยรุ่นกํลาลังนั่งดูหนังอยู่ตอนนั้นแน่ใจแน่นอนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความฝันที่มันซ้อนความฝันอีกทีหนึง่งไม่ใช่ครับออไอตอนที่ผมนอนอยู่เนี่ยแล้วผมนอนแล้วผมรู้สึกผมฝันครับแต่เหมือนมันสลืมสลืมเหมือจะฝันหรือไม่ฝัน อ, อะไรเงี้ยแล้วผมเห็นกลุ่มวัยรุ่นคแล้วผมก็สะดุ้งอีกทีตอนที่มือของ มือของคนสังนั้นอ่ะเขามาจับตรงขาผมแล้วบอกว่าอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะแล้วผมก็สะดุ้งตื่นเลยพอสะดุ้งตื่นผมก็ยังลุกขึ้นใช่ไหมพี่แล้วพียังถือถังถือไฟฉายคเพราะไฟมันมืดไปหมดเลยผมยังหาทางเดินหาทางอะไรเนี่ยแล้วผมยังล้มยังวิ่งครับจนมันรู้สึกโดยทีเอาวเจอเพื่อแล้วอ่ไฟเปิดหมดแล้วเออสิแล้วสิ่งที่เราเห็นน่ะมันคืออะไรทําไมเขาต้องมาทําให้เราเห็นแล้วเขาต้องการจะสื่ออะไรถึงเรา ถูกไหมเมื่อหลายคำพูดที่เขาถามเราเขาคุยกับเราอ่ะโอ้ยอย่างเช่นข้ามไปสิข้ามอะไรสใช่ไหมคือเขาต้องการบอกอะไรข้ามอะไรข้ามอะไรอ่ะข้ามไปสิหรือเขาหรือเขาต้องการแบบหยอกผมให้ให้ผมข้ามขาเขาไปครับแต่ขาเขากตัวเขาอ่ะคืออยู่บนคนละที่เลยออออืืเ้ากับพนักพิงนะพี่แล้วเหมือนแบบเหมือนแบบ มันก็โผหัวมาเล็กๆแล้วแห่อะไรประมาณนี้เขาหัวมันแล้วบอกข้ามไปสิออื น, นั่นหน้าคนแบบหน้าแบบคือผมแบบคือผมมันผมเป็นป่อยๆอ่ะพี่เป็นผมเยอะนะเป็นปล่อยๆแล้วก็มีสีเพือกเผือกเผือกอะไรตรงหน้า อ, อะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยเออตอนนั้นผมตกใจาามากนี่คือสิ่งที่เจอจกที่แบบนี้ครับแต่เอาเข้าจริงๆนะคุณบอยคุณผู้ฟังครับผม รับสารภาพเลยยอมรับเลยว่าผมเคยเข้าไปดูสมัยเป็นวัยรุ่นเด็กๆเคยเข้าไปดูครับอันนี้ผมว่าทุกคนเป็นเรื่องปกติแล้วคือต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยโรงหนังแห่งนี้เนี่ยเขาจะใช้หนังปกติทั่วไปสองเรื่องควบหลังจากนั้นพอสู้โรงใหญ่ๆไม่ได้เขาก็จะเ ร, เริ่มมาใช้หนังเฉพาะใชะ่จะเป็นหนังเฉพาะทุกวันนี้ก็ยังเป็นหนังเฉพาะอยู่แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันน่าจะเป็นมากกว่าสองเรื่องแล้วนะ รู้สึกจะสามสี่สามสี่เรื่องควบเลยอ่ะเ uh huh. ออซึ่งมันเป็นโรงหนังพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกได้ถึงความเก่าโอความเก่าความแก่นะฮะแล้วที่สำคัญอย่างที่คุณบอยบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยแถวแถวนั้นน่าจะเหลืออยู่โรงเดียวที่ยังทาการอยู่คืโรงเดียวครับใช่ั้ยสมัยก่อนนะถ้าเรานับกันจริงๆมีโรงนี้มีโรงฝั่งตรงข้าม ใช่ไหมฮะเลยไปหน่อยตรงสี่แยกซ้ายมือนะครับจะมีอีกหนึ่งโรงแล้วก็เลี้ยวขวาไปจะมีอีกหนึ่งโรงเข้าแถวนั้นจะมีทั้งหมดอยู่สี่โรงด้วยกันเออนะฮะผมพูดถูกไหมถูกไหมอ่านะฮะประมาณนั้นเลยเออนะครับที่ผมดูแลเนี่ยคือมันอยู่อยู่ตรงนั้นแหละอืมีที่ซึ่ผมแจ้งหมาใช่ครับก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณบอยเจอมาเนี่ยมันคืออะไรเขาต้องการจะสื่ออะไรอ่า ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ตูอย่างยังยังไม่รู้แ ล, แล้วเอาเอา่องนี้นไปเล่าให้กับเจ้าของหรือว่าคนที่เขาดูแลที่ที่นั่นฟังไหมครับว่าเฮ้ยผมเจอมาอย่างเนี้ยเพื่อนผมเอาเพื่อนผมมาเอาเรื่องที่ผมเล่าให้เพื่อนผมอ่ะฟังครับไปเล่าให้เจ้าของฟังออืฮเจ้าของเขาก็บอกว่าอ๋อมันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหร อ, อมันเกิดเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรออ เขาเขาถามผมเงี้ยไอ้เขาถามเพื่อนผมเงี้ยแล้วเพื่อนบออ้าวไม่รู้เรื่องเลยเหรอเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาซื้อกิจการต่อมาเองอ๋อแสดงว่าตั้แต่มาถูกเปลี่ยนมือมาแล้วหรออ่าใช่ครับถูกเปลี่ยนมือมาอถูกเปลี่ยนมือมาซึ่งอ๋อนะครับแล้วทุกวันนี้เน่ผมอยากรู้จังเลยว่ายังมีคนเข้าไปดูอยู่ไหมเพราะว่าหนังสมัยนี้เนี่ยมันหาดูง่ายมากเลยนะถูกไหม ใืใช่เื้านะ<ช>ผมก็ยังงงว่าเฮ้ยเขาอยู่ได้ยังไงยังมีคนซื้อตั๋วซื้อบัตรเข้าไปดูอยู่เหรออืมเพื่อนผมบอกว่าเขาก็ก็สมัยนะครับตอนที่ยังติดต่อกันอยู่เขาบอกว่าก็ยังมีคนดูอยู่นะอืมก็ยังมีคนดูอยู่แต่มันเริ่มลดลงเรื่อยๆใช่ซึงซึ่งตร ง, งผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี้ยคือเขา เขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปขึ้นมาเป็นนานทั้งหลายปีแล้วเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยผมว่าเขายังอยู่นะะสมัยนี้เนี่ยคือเทคโนโลยีอะครับมันไปไกลมากแล้วคือถ้าจะดูหนังอย่างเนี้ยผมว่ามันดูที่ไหนก็ได้แล้วอ่ะถูกมไหมคือมันไม่จําเป็นต้องไปแบบซื้อตั๋วให้คนเห็นว่าเฮ้ยฉันกําลังเดินเข้าโรงหนังเพื่อไปดูหนังเนี้ยถูกไหมเป็นเป็นเป็นบอยเป็นผมผมก็ไม่กล้าแล้วนะใช่ถูกไหม ตออ็เป็นย้อนออกไปสิบกว่าปีที่แล้วนะฮะน่าจะคิดอีกอย่างหนึ่งถูกต้องสมัยนั้นไอ้คนคนเยอะคนเยอะครับใช่ใชแล้วหนังเขาฉายวนทั้งวันใช่ทั้งวัน ไ, ไ, ไปนอน น, นทั้งวันยังได้เลยเออถูกต้องคือซื้อตั๋วครั้งเดียวครับนอนหลับอยู่นั้นเลยตื่นมาเมื่อไหร่ค่อยดูใช่เอราะงั้นนะออนแต่ห้องน้ําอย่าไปเข้าเลยน่ากลัวผมน่ากลัวมากครับผมไม่ได้กลัวผีนะห้องน้ําอ่ะผมกลัวอย่างอื่น โอ้ยยืโอยยืนก็ไปแถวเลยจริงจริงเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ไม่ตาลมุกจกเปรอะมันเป็นเรื่องจริงคุณผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องจริงนะฮะเรากำลังพูดถึงโรงหนังที่เฮ้ยทุกวันนี้เนี่ยคนไปบริโภคโรงหนังที่อยู่ในห้างกันหมดแล้วและถ้าจะดูหนังพิเศษหนังเฉพาะเขาก็ดูกันที่บ้านอย่างเงี้ยเออนะตั๋วสี่สิบาทเดี๋ยวนี้สี่สิบมั้งน่าจะสี่สิบาท ครับแน่ใจนะน่าจากราคานะครับดีสติกอนนะเอาง่ายๆครับแค่ลงรถเมย์มาเดินเข้าไปจะเข้าโรงหนังเนี่ยผมว่าตอนสมัยนี้แทบจะเอาหมวกปิดหน้ามิดแล้วนะเอาผมพูดถูกมไ่มใช่ครับใช่แล้วเพราะเี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องเก่าไปแล้วไม่ใช่อะไรอย่างนี้อล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่คุณบอยไปเจอมา นะครับแล้วก็ยังหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าที่ไปเจอมามันคืออะไรกันแน่แล้วก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมาด้วยว่าโรงหนังแห่งนี้ก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเออนะครับแต่ผมคอนเฟิร์มแล้วยืนยันว่าบรรยากาศภายในโรงหนังน่ากลัวโคตรใช่ครับน่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วกลิ่นกลิ่ต้องไปอยู่เออกลิ่นของเขามันเป็นเอกลักษณ์ กลิ่นโรงหนังชัง้นสองอะงถูกต้องเข้าไปแล้วกลิ่นเนี้ยกลิ่นผ้มาม่านกลิ่นเก้าอี้หนังกลิ่นแบบโอ้คับ <c oughs> <ร>เออต้องดูตอนห้าทุ่มของผมเลยครับจะได้รู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงผมมอเข้าใจนะว่าทําไมคุณบอยถึงเข้าไปห้าทุ่มเพราะว่ามันน่าจะเป็นหมดการรอบฉายหนังพอดีใช่ครับหมดหม ด, หมดรอบแล้วหมดรอบพอดีเออนะครับอ่าได้ฮะคุณคุณคุณบอยนะฮะมีหลายท่านเริ่มรู้แล้วนะครับว่าว่าว่าเป็นที่ไหนเขาบอกว่าลงหนังเนี้ย ห้าสิบาทครับแม่อันนี้แปดพันแท็กอาจจะห้าสิบอยู่แล้วไม่รู้กขบอกมาในห้าสิบบาทอ้โครับผมซื้อทีเดียวดูได้ทั้งวันนะครับเอออ่โอเคได้คุณบอยยังไงขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์วันนี้ได้ครับครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวคงได้คุยกันอีกได้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ